่อขอติบายเรื่องการใช้เสียงเคลงเป็นมิจฉ า, านายนโดยความจริงมิจฉานายานนี่แปลว่ายอมรับนับถือตามกฎของความเป็นจริงแต่ถ้าหาว่าเราจะพิจารณากันไปเรื่อยๆหาจุดจบไม่ได้ไม่มีจุดหมายปลายทางก็จะกลายเป็นวิปัสสนา นุยปัสชัตานาไปไม่ก็ไม่เกิดประโยชน์การที่พระราารอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นบารมีคำว่าบารมีก็แปลว่ากำลังใจเข้าถึงจุดจบง่ายเขามีวิธีปฏิบัติแต่รวบรับวิธีปฏิบัติมันกช็ชันข้ามาโดยถือสังโยคสิเป็นสายเดิม เราต้องเดินทางตามสายนั้นถ้าไม่เดินทางตามตามสายของสังโยชนินี้ไม่สำเร็จผลเป <c oughs> ็นอนวุวาวิธีปฏิบัติใช้เสียงเรลงเข้าสังโยกนิสิตสังโยชนิสิตพระพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าขันห้าคือรูปเอทนาสัญญาสสงขานวิญญาณ มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเบตนาพัญญาสังขารนิยานในรูปเบตนาพัญญาสัางขารนิยานไม่มีในเรา <S <S <an> นมื่ราก็จบับเสียงเพลงเข้ามาว่าเสียงเพลงนี่เป็นเป็นเราหรือว่าเราเป็นเสียงเพลงตอนนี้ต้องพิจารณาให้ชัดว่าเสียงเพลงนี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา เราก็ไม่ใช่เสียงเพลงเสียงเพลงก็ไม่ใช่เรา <c oughs> เสียงเพลงมันเป็นเสียงสัมผัสจากวัตถุถึงเมื้ว่าจะใช้ลมเป่าก็ลมเป่าวัตถุแต่ใช้ซอสีก็สีวัตถุใช้ไม้ตีก็ เ, เลูกเด็กตีก็ตีวัตถุแปลว่าเครื่องดีดสีตีเป่าดีดลกล้วสี แล้วก็ตีแล้วกระเป๋ามันเป็นเสียงเพลงความจริงเจ้าเสียงเพลงนี้เราจะบังคับบัญชามันไม่ได้เมื่อเสียงเพลงที่ไเราบแบบนี้เธอจงบันเลงต่อไปอย่าขาดสายเราก็บังคับให้เป็นเป็นไปตามนั้นไม่ได้หรือว่าเสียงเพลงนี้จเจ้าจนเบาลงจเจ้าจงสูงขึ้น จงดังชัดจงดังไม่ชัดแถวเป่าเราก็บังคับไปได้ที่ว่าบังคับไปได้เพราะการสีเป็นไปตามนั่นและบางทีเราก็บอกว่าเวลาที่เราหลับเสียงเพลงจงหยุดเวลาเราตื่นขึ้นมาใหม่ๆเสียงเพลงจะมันเลงต่อไปทันทีที่เราตื่นเสียงเพลงมันก็ทำไม่ได้ นอกจากว่าเราจะใช้เครื่องบังคับคลใจบังคับมันเอไว้แล้วก็เครื่องจักรกลอะไยที่เราสั่งกันบังคับมันก็มีการสิบหลอมันก็มีการเสื่อมันก็ไม่มีการทรงตัวในเป็นอันว่าเสียงเพลงนี่มันไม่ใช่เราจริงจริเสียงเพลงมันก็เป็นเสียงเพลง ดนตรีมันก็เป็นดนตรีเครื่องดนตรีเป็นอย่างหนึง่งเสียงเป็นอย่างหนึง่งเสียงนี้เรามองไม่เห็นแต่ว่าสัมผัสทางหูเป็นอันว่าเราอย่ายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เราก็จะเป็นหลงไหลไฟสันมันทัประโยชน์อะไรเอามันเป็นครูว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปมันสลายไปในที่สุดมันเลงขึ้นมาในดรื่งต้นของเพลง มันเลงเรื่อยๆไปมันก็ใกล้จบลงไปทุกทีนี่เรียกว่าเสียมไปในนที่สุดอาการจบของเพลงก็ปลากดก็เริ่มสลายตัวไปเป็นอนัตตามีความติดแท้เสียงเพลงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความจริงถ้าเราจะคิดกันตามธรรมดาธรรมดาของชาวโลกก็นี้ว่าเป็นความสุข แต่ว่ามามองกันไปทีเพลงปัจจัยเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะชอบฟังเพลงลเมื่ออารมณ์สบายเท่านั้น <c oughs> อารมณ์เราต้องการบางครั้งเราต้องการฟังเพลง <c oughs> <ๆ>เพลงปรากฏเราก็ฟังเลยแต่บางขณะเพลงจะสร้างความรำคาญให้เกิดขึ้นกับเราเมื่อความรำคาญเกิดขึ้นมันเป็นสุขและเป็นทุกข์ มันก็เป็นทุกข์ในการบรรเลงเพลงถ้าบรรเลงได้ตนเองใ้การบรรเลงเพลงได้ตนเองเนี่ยมันเป็นศพหรือเป็นทุกข์ถ้าเราใช้ตีดมันก็เมื่อยมื อ, มอใช้สีมันก็เมื่ยมือมันก็ปวดหลังใช้ตีก็เมื่อยมือปวดแขใช้เป่าก็เหนื่อยใช้ลมอ่ะ และแล้วก็ต้องประคับประคองอิุิยาบุตรขอร่างกายให้ไปตามกระแสทำนองของเพลง <c oughs> <c oughs> นี่มันก็เป็นการฝืนอาการทางร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เล้งน้ำ เ, เข้าความเหนื่อยเกิดขึ้นมันก็เป็นความทุกข์แล้วเพลงมันช่วยอะไรเราได้บ้างเราฟังเพลงและแต่งเพลง เรามันเลงเพลงเล่นช่วยให้เราหนุ่มขึ้นทุกวันหรือเปล่าหรือว่าเราแก่ลงไปทุกวันแล้วคนที่ก็มันเลงเพลงเนี่ยเราฟังเพลงเขาตายไหมก็เป็นอันว่าเป็นปจัจจัยว่าเพลงเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขมันเป็นตัวตัวตัวให้เกาะตัวให้เกิดมันเป็นพลังเขาตันหาส่วนหนึ่ง ถ้าเราติดอยู่ในเสียงเพลงอย่างที่ว่าเพลงเป็นของคู่ควรสาหรับเราเราก็จิ้ว่ามีความทันในขันยึดมั่นอยู่ในเสียงในรูปเสียงใช่ไหมรูปเสียงกิ่งรสสัมผัสเป็นเรื่องของกามารมณ์เมื่อเราติดอยู่ในอำ้าของกิ่เละเราก็ต้องโยนเพลงทิ้ไป แต่คําไม่โยนเพลงทิ้ไปไม่ใช่เราหนีเพลงเลือกเพลงเขาเ้าไปห น, นีเราไม่ใช่อย่างนั้นเรายังฟังเพลงเรายังมันเล่นเพลงอยู่เราแต่งเนื้อเพลงเนื้อร้องสําหรับเพลง <c oughs> เราทําได้ทุกอย่างแต่ว่าขณะที่ทําก็ต้องคิดไม่เสมอว่าการทําอย่างนี้มันมีสภาพไม่สมงตัว คนทําอย่างเราตายเหมือนเราตายไปแล้วไม่รู้ทํานไมรู้กี่คนเสียงเพลงแบบนี้ที่คนฟังมันแล้วตายไปนับไม่ถ้วนเนื้อเรื่องของเพลงทํานองเพลงก็ดีไม่คงที่มีการถูกดัดแปลงอยู่เสมอมันเป็นอนิจจ์หาความเพียงไม่ได้บางเพลงที่คนโบ ร, ราณแต่งไว้ว่าดีแสนดีก็สลายไปแล้วมันก็เป็นอนัตตานคนรุ่นหลังมันเรลงไม่ได้ หลายตัวไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดท่าเพลงเป็นสมบัติของโลก <c oughs> ในดินแดงของฟรมและดินแดงของพนิพพานไม่มีเสียงเพลงท่านมีความสุขแตรมมสงบวัติจากรามิตรคือกามคุณตอนนี้เราจะหนีเสียงเพลง คำว่า น, นีไ้ไม่ใช่ไม่ใช่มองไม่เห็นเพลงฟังไม่ได้ยินเพลงเราอยู่กับเพลงแต่ว่าเราจะหนีเพลงต่ง า, งางทันยังไงฟังทีไรก็คิดว่าเจ้าตัวปัวจจัยของความทุกข์มันปรากฏ อ, อีกแล้วเจ้าตัวนี้แปรนิจจงมันหาอะไรเคียงไม่ได้เจ้าตัวหน้าตาไม่ช้ามันก็เลิกกัน เ, ยเลยเสียงก็ขาดหายไป เราก็ต้องพยายามทําใจของเราคิดว่าเราจะไม่พบกับเพลงอีกที่เราจะไม่เกิดมาพบกับเพลงอีกดินแดงที่จะไม่พบกับเพลงก็คือดินแดงของลมและพระนิพพานในการหลบปอะโยชน์ลมมันหลบ่วคราวไม่ได้ไปเลยต้องไปพระนิพพานในการที่จะไปพระนิพพานเราไปยังไงมันก็เป็นของไม่ยาก เลยว่ายอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระปู่มีพระพ่าเจ้าโดยใช้ปัญญาเป็นเครืนน่องพิจารณายาฟังและก็เชื่ออันนี้พระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าเป็นคนโง่ทงังแล้วต้องคิดตามด้วยท่านบาว่าเสียงเพลงโดยอนิจจังมันไม่เที่ยงหรอกลูกเลย มันเกิดขึ้นมันเลนขึ้นมามันคลานเข้าไปหาจุดจบเสือ่อมลงไปทุกทีในที่สุดมันก็จบเลยเลี้งนั่งก็หายไปให้ตัวหายไปนี่เป็นอนัตตาถ้าเราต้องการจะฟังใหม่มันไม่ได้ฟังใหม่ก็เป็นทุกครั้งทหน้าท้องความอยากนี่กฎธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดรายกฎก็มีสภาพเป็นอย่างนี้ ในเมื่อพระพุทธเจา้จาย่จงนี้แล้วก็ฟังดูว่าจริงไหมเขียงเพลงไปนิ จ, จังจริงไหมมันไม่เขียงทุกครั้งในเมื่อฟังไม่ชอบใจมันเนียการคามทุกข์ไม่พอใจเสิดขึนอนาตตาฟังไปฟังมาคนบรรเลงตายเครื่องดนตรีพังและคนพังตายไม่ก็เป็นอนาตตาบังคับไม่ได้สลายจุ่ นี่ใช่เป็นยาคิดในก้อนขวางไปยิ่งกวันนี้และก็อยาพบความดีว่าอ๋อนี่็พระพุทธเจ้าพูดแต่เมื่อการติดเสียงเพลงไม่ดีเราจะหนีปนัญหาล้วทำยังไงเราก็ต้องพยายามรักษาสินให้บริสุทธิ์ไม่ทำลายสินให้ตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายสิน เราไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายสินแล้วถึงคุณพระรัมนตรายเป็นอารมณ์มีจิตจิตคิดๆๆถึงพนิพพานเป็นปกติถ้าทำได้ถึงเพียงนี้ก็ปรากฏว่าเราเป็นพระสดาบันมีขอบเขตจำกัดการที่จะเกิดต่อไปอย่างเลวที่สุดอีกเจ็ดชาติเราก็เป็นพระอรหันต์ ถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งหน่อยอีกสามชาติเราก็เป็นพระรหรันถ้าเข้มแขง็งจริงๆอีกชาติเดียวเราก็เป็นพระราหันหมดทุกข์กัน ท, ทีแต่นี่ตอนนี้เราก็คิดว่าความเกิดยังมีอยู่เก้าไปหาจุดให้ค้นจากสภาวะเป็นมนุษย์และไบายกุมเลยท <c oughs> ่านยังไงก็มานั่งฟังเสียงเพลงกันต่อไป เลงรูปเพลงเป็นเครื่องอยั่วยาบให้เกิดทามารมมื่อเก็บปลาลบเรื่งความรักความคลอเคลียกันระหว่างสตรีสตรีกรบุรุษสร้างสรรความเป็นมนุษย์สร้างสรรกันอยู่ร่วมเหมือนกับอยู่ในสวนรรค์แล้วก็มาพิจารณาดูว่าเจ้าเพลงนี่มันเสกสรรหาความทุกข์มาให้เรา พระพุทธเจ้ากล่าวว่าพาราหเวเป็นจักรันพาคันทั้งหลายห้าเป็นภาระอันหนักเพียงแค่ตัวเราคนเดียวเท่านั้นบรรยายเต็มไปด้วยความทุกข์ให้ว่างกายของเราทั้งกายเต็มบริความสุขปกปรกโสมมคนทุกคนเต็มไปด้วยความบริโภคความโศกโศกสุขกปรกหาชิ้นดีไม่ได้ แล้วทำไมใจของเราจึงจะไปเห็นว่าเพลงเป็นของดี <c oughs> เพลงดึงเครื่องย่วโยนให้เกิดกา ม, มารมเราไม่เอาเพลงดึงเครื่องย่วโยนให้เกิดโทสะเราไม่เอาเราขอตัดอะไรใจอยากเห็นสาภาพของคนที่บรรเลงก็ดี <c oughs> เครื่องดนตรีสาหรับการบรรเ่งก็ดี คนฟังการบรเเลงคนดีมีสภาวะสกปรกสิ้นดีและก็ไม่มีการทรงตัวมีการสลายตัวไปในอีสุตทุกคนเต็มไปด้วยความทุกข์หาทางตัดอะไรใจอยากจากคนบรรเลงเหลวจากเสีเยงเีลวจากคนฟังเธอเมื่ออายสุขปัญญอยากคือกายะตาตมสติกรรมฐานและก็อาสารสุขกรรมฐาน <c oughs> ทำจิตใจให้เข้าถึงความจริงรู้ความจริงว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกเป็นของหน้าเปลือยไหแล้วก็พิจรารณาไปในใต้รักษาญาณมันนอกจากจะสกปรกแล้วมันก็ยังมีความไม่เกี่ยวเป็นทุกข์เนนักตางในที่สุดอารมณ์ที่มีความกล้าดเอามนักการมราคะมันก็จะสลายตัว <c oughs> นี่เป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สอง ใ, สใจอยากหรอคนบันเลงเียงก็เขาบันเลงให้ไปที่ไะไชอบใจเราให้คนที่บันเลงและตั้งใจบรรเลงให้ดีแสนดีอยู่แล้วตั้งใจคนฟังต้องเตือน่ว่าอารมณ์ใจของเราต่างที่ไม่ยอมรับฟังเสียงเพลงเพบางขณะเ ร, า, ร, า, ะเร า, ายอมรับฟังบางขณะเราไม่ยอมรับฟังบางขณะเราชอบบางขณะเราไม่ชอบ เราจงจะโกรธเครื่องดนตรีที่มันเสี่ยมสมรรถภาพตรงทีว่านั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะโกรธหูโกรธตายขอเราว่ามันฝ้ามันฟังฟั ง, ฟงเสียงไม่ถนนะัดเพราะว่าอาการทางร่างกายและวัตถุทุกอย่างองค์สมเด็จพระทรงสมัติโสภาพกล่าวว่ามันมีความเสื่อมไปเป็นปกติจงให้อภัยกับคนที่มันเลงเลง ให้อภัยกับเครื่องดนตรีที่ไม่เกา่าให้อภัยกับร่างกายของเราที่มันทุดโสมทำอารมณ์จิตสบายมีเมตตาจิตอารมณ์แน้ที่คุณแอทีว่าเสมอว่าคนละดีแม้ว่าถูกก็ดีเปเครืที่บันเลงมันเป็นนิจังหาความเชื่องไม่ได้ทุกครั้งเป็นทุกอ น, นาตตาสลายตัวไปในสุดเหมือนกัน ใจอของเราก็สบายไปราศจากโทสะเมื่อการบรรลัยแต่อโทสะไม่ปรากฏองค์สุนเดชกบรมตุคติว่าทำท่านนั้นเป็นพระนาคามีตอนนี้เราก็ได้เปรียบแล้วเพรา ะ, ะไรตัว่าถึงพระนาคามีแล้วเราจะตายเป็นสินเทวดาก็ตามเป็นชลมก็ตามเราก็มีโอกาสนิพพานในที่นั้น เรียกว่ายึตหัวหาดสำคัญได้แล้วเรียนชนะเข้ามาถึงเรานี่ถ้าเรายังไม่พอใจในการพัดเป็นเทวดารุปปมเราก็ต้องขอบคุณเสียงเพลงที่เป็นครูเราเราเคยใช้เพลงมาเป็นฌานสมาบัติคือเป็นสมาธิฟังเสียงเพลงด้ดยจิตกำหนดไว้ด้วยดี ไม่ยอมให้เสียงเพลงขาศึก้าจะหูมีการกำหนดรู้ในใจยอยู่ตะลอดเวลาอย่างนี้เราใช้เสียงเพลงเป็นกำลังสมาธิโดยไม่ใหอารมณ์อื่นเข้ามายุ่งกับจิตนี่เพื่อความดีในอันดับที่สุดตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงสั่งสอน <c oughs> เราก็จะไม่ยอมยึดถืออ า, ารมณ์นี้ว่าเป็นอารมณ์สูงสุด เราจะคินว่าอารมณ์ของสมาธิจิตที่อาศิตเสียงเพลงเป็นสำคัญจะก็เป็นรูปกรรมฐานหรืรูปฌานว่าเป็นแต่เพียงบรรไดให้เราเก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นยังไม่ถึงพระนิพพานแล้วก็ทราบว่าเราก็ยังคลายเอาความ พ, พอใจในอารมณ์ของอรูปฌาน เมื่อความจริงลูประชานเป็นของดีทำจิตใจละเอียด่องใสมีความสุขไม่ติดอยู่ในกายแต่ว่ า, ารูกประชัยก็เพียงเป็นปัจจัยเท่าปฏิพันยังไม่ใช่ตัวปฏิปันแท้เราจะก้าวต่อไปแล้วต่อไปเราก็ทำลายมรณะความถือตัวถือตนเราเราวิเศษกับคนอื่นได้สมัยคนอื่นเราเีวกว่าคนอื่นโยนเทียงไปเสีย คิดเสมออยู่วิวทย์ไม่เสมอว่ากฎธรรมดาที่เกิดมาในโลกมีความสม่ำเสมอกันคนและสัตว์มีความเกิดในตัวตนมีความแก่ในทํากลามมีการสลายตัวเป็นทิศศึกไม่มีใครเหนือใครไม่มีใครเลวกว่าใครและก็ไม่มีใครเสมอใครั <c oughs> งนี้เพราะอะไรเพราะหน้ากฎของกรรมทำกต่างกรรมต่างวาระอาจจะไม่เหมือนกัน ทำใจเราเราท่านทัานจมีความสุขเห็นคนเป็นคนเห็นสัตว์เป็นสัตว์เห็นวัตถุเป็นวัตถุเ ม, ถ <c oughs> เมื่อเห็นคนเป็นคนก็จึงรู้ว่าคนมันยุ่งในเมื่อเราแย่ต้องการเป็นคนมันก็เต็มไปด้วยความยุ่งเมื่อสภาว่าที่ความยุ่งของคนเกิดขึ้นจนึงถือว่านั่นมันเรื่องของคน ถ้าเขาเป็นมนุษย์ที่อย่างเดียวเขาก็ไม่โยกมนุษย์มนุษย์เป็นผู้มีใจสูงมีศีลบริสุทธิ์มีกามาบดีบริสุทธิ์ท่านประเภทนี้ไม่มีเวรไม่มีใครสมับใคร <c oughs> แต่ว่าปัจจุบันคนจันไรสร้างความเบื่อนหน่ายสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นนั่นมันเป็นอารมณ์ของคน คนที่ยังทำตัวให้เป็นคนไม่ใช่ม น, นุษย์เราจะไปคิาหาความอะไรเราจะไปเหยียดว่เของชั่วมันก็เหมนแน่เพราะนั่งเขาเป็นท่าของกินเล็ดปัญหากินเล็ดปัญหามันเสี่ยมสอยเขายู้อีกเขาเอาไปสู่แดนตรงความทุกข์ในใงของเขาเราสามัย ก, ก่อนที่ยังมีความเลงเสมอเขามันก็เหมือนเขาอย่างนี้แหละ แต่มันเป็นการต่างการต่างวาระสิง่งอะไรกันปล่อยไปใครเขาอยากจะเดือดร้อนก็ปล่อยเขาเดือดร้อนไปใครอยากจะตายก็ปล่อยเขาตายไปถ้ามันเป็นเหตุตัวดีใส่ที่เราชวยไม่ได้แล้วก็วางเอาเบรคค้ารมถ้ามารมใจมันสบายถือว่าอะไรทุกอย่างที่เกิดมาในโลกมันเป็นของธรรมดาของโลกเท่านั้นไม่ก็จะเสียงเพลงแหละ ว่าคนพวกนี้ก็ติดเสียงเพลงเพลงที่เมาบ้างเพลงหวานบ้างตัวเร่าใจบ้าง่เพลงอะไรไม่สำคัญเท่าเพลงทะเยอทะยานไม่รู้จักประมาณตัวเองว่าจะตายเพลงนี้ร้ายกาจมากที่ทำลายความสุขของปวงชนทั้งหมดฉะนนั้นองค์สมเดจพระบรมสุข จึงสอาจงอย่าติดใจในเพลงแล้วก็จงอย่ารังเกียจในเพลงอย่าผูกพันในเพลงคิว่ามันเพียงคำโกธรมัดาเท่านั้นฟังแล้วก็ฟังไปเลิกแล้วก็เลิกไปพ้ามันเลงใหม่เราก็ฟังชอบใจฟังเราก็ฟังไม่ชอบใจฟังเราก็ฟัง แต่น่าพเจานณาว่าของเหล่านี้มันไม่จริงนะมันไม่ดีจริงๆเพลงที่ชอบใจฟังแนละ้วเดี๋ยวมันก็จบมันก็สลายตัวไม่เที่ยงแล้วก็สลายไปเพลงที่ไม่ชอบใจฟังมันก็ทุ้งใจเกิดความไม่สบายใจก็จะถือว่าเพลงนี้มันไม่แม่จริงมันไม่ใช่ปัจจัยของความสุขสบาย บางอารมณ์เป็นกลังยังไงก็ช่างมันงนเมื่อเกิดมาในโลกมันหนีไม่พ้นแล้ต่อไปก็แวะทะเลหาคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระพุทธกสดุลสันโยตกราิดาเพราะอุทธจักความพงศานอยากทั้งกำลังใจกำลังฟุกฟัานไปอย่างอื่นแต่ความจริงอารมณ์ขนาดนี้อารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่มีแล้ว เหลือแต่อารมณ์ที่เป็นกุศลแต่ทว่ากุศลมีสองอย่างกุศลขั้นกามาวจรกุศลจะเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งเป็นรูปาวจรและรูปาวจรเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งและก็เป็นอัพยากิตเป็นกุศลเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งจิตที่เป็นกุศลที่เป็นกามาวจรคือพอใจในสวรรค์ ยัมีการเสพการประสมผสานระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอารมณ์กุศลที่เป็นกามาวจรอารมณาวจรอรมปาวจรและอรมณาวจรได้รูปประกอบและรูปปรอารมณ์ที่เป็นกุศลต้งสอนหการนิยาให้เขมยุ่งกับจิตเราต้องการกุศลอย่างเดียวที่เป็นอัปยาติไม่ซ้ายไม่ขวาเดินตรงผนิพานต้องการอารมณ์แห่ความสงบ เออุเทจะในสงโยชน์ต้องถืออารมณ์อารมณ์เดียวเพาวะว่าซ้ายและขวาไม่แน่กามาวาจรมีอด้านสวรรค์แลรูปปาวาจรด้านพรหมแลรูปพรหมอรูปาวาจรอรูปพรมอย่างนี้ชี้ชื่ว่าเป็นอุเทจะอย่างเป็นอรารมณ์ผงสันต์ต่อต้งหากว่าเราต้องการอย่างเดียวคืออภิญญาสิทธิ์ในแก่บริพนันธ์ เป็นอารมณ์ตรงที่ดีบว่าไม่มีอุจจาะแล้วอันนี้ที่ว่าเราเข้าถึงว่าแสบสัตธรรมทีสนาขององค์สมเด็จเจ้ากทีแกว้วใ <c oughs> ้าจะบรรเลงเพลงอะไรเราก็ฟังได้ไม่รำคาญไม่รำคาญด้วยและก็ไม่รังเกียดด้วยแล้วแถมก็ไม่พอใจด้วย ถือว่ามันเป็นเรื่องทมันได้ของชาวโลกทาง น, นต่นไปขั้นสุดท้ายแล้วก็จับจุดใหญ่ตัดชันท่ากับราคาเมื่อเสียงบรนเลงเพลงที่ปรากฏมันเป็นชันทะเราพอใจราคาเห็นแมเพลงเดนเสียงสดใสทะสเลสดแต่ตัว่า เรากลับเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นเครื่องดึงให้เกิดแก่เจ็บตายปรากฏเป็น่ด ง, งของความทุกข์เรามาเาจะเป็นเพลงของมนุษย์เพลงของธรรมดาเพลงของผมเราไม่ต้องการสมบูรณ์เราต้องการอย่างเดียวตัดอารมณ์จากความโคตโรโดยตรงคือยอมรับนับถือกฎของธรรมดาว่านิจจ์เอย๋ยชาติพิทุทขาความเกิดเป็นทุกข์ เชอราพิทุขังความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำมีทุกขังความตายเป็นทุกข์โศกกระเวทเทวทุกขโทมานัตุฟายาคความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดาดจะขอนและขอชอบใจเป็นทุกข์เพราะนเมื่อเกิดเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราจะเกิดคืออะไรต่อไปนี้ไปการเป็นเทวดาคนดีเป็นพรคนดีเป็นมาได้เป็นมนุษย์ดีไม่มีสระดับเขา อารมณ์ของเราต้องการอย่างเดียวคือความพ้นจากความทุก ข, แข์และแหภานิพนธ์นีพค่ะว่าถ้านางหลายทําใจได้อย่างนี้นั้นเป็นปกติพิจารณาไปเป็นญามันก็ไขออกไปเองขว้างฟังออกไปเองในที่สุดเราก็เข้าถึงจุดที่สุดคือนิพนธ์มันก็เป็นของไม่ยากอาไรสําสหรับที่จะพูดต่อไปเทปหมดแล้วก็โเจโยขอญาติมาตะเกียรติสวัสดี